บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการยกเอานามรูปขึ้นพิจารณาตามหลักของพระไตรลักษณ์ที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นนอกจากจะมองดูให้เห็น ความไม่สวยไม่งามความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายแล้วท่านยังสอนให้ดูถึงสิ่งที่ปิดบังปัญญาของบุคคลเอาไว้ไม่เห็นความจริงในสิ่งเหล่านั้นว่าได้แก่อะไรสิ่งที่ปิดบังให้บุคคลไม่เห็นความไม่สวยไม่งามก็คือสุภาสัญญา ได้แก่การที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายเอาไว้ว่าเป็นของสวยของงามเมื่อมีการปรุงคิดมีการคิดปรุงกันเรื่อยๆปริมาณความรู้สึกในเรื่องเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความฝังใจเป็นอุปาทานยึดจิตไม่พยายามที่จะมองอีกฝากหนึ่งอีกมุมหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นจิตก็จะสายไปด้วยอำนาจ ความกำหนัดความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เรื่อยไปส่วนที่ปิดบางอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสันติคือการเกิดสืบเนื่องกันของสังขารเหล่านั้นตามเหตุตามปัจจัยเช่นการไหลของแม่นม้ําของกระแสฟไฟเป็นต้นส่วนที่ปิดบางทุกขงังเอาไว้ ก็คือการปรัดเปลี่ยนริยาบทต่างๆเช่นนั่งนั้นเช่นนั่งนานเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนเช่นเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นทำให้บุคคลไม่เห็นประจักษ์ชัดถึงความจริงแห่งชีวิตและสังขารทั้งหลายในข้อต่อไปนั้นคือการยกนามรูปขึ้นพิจารณาตามหลักของอนัตตาคือมองให้เห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตน หรือไม่เป็นตัวเป็นตนจางที่เข้าใจกันการกําหนดหมายความเป็นอนัตตานั้นทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากประการแรกก็คือให้ใช้ปัญญากําหนดพิจารณาดูนามรูปว่าไม่มีใครสามารถบังคับให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้ข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้ ในประธรรมเทศนากันที่สองคืออนัตตลักษณสใสุดโดยทรงเชให้เห็นว่าถ้าขันทั้งห้าหรือนามรูปเป็นอนัตตาเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนบุคคลก็ต้องสามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปาตามที่ตัวต้องการได้อะไรที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ในชีวิตของเราเราก็บอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเล ย, เลยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเลยขอสิ่งนั้นจงเกิดขึ้นเป็นต้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงคนก็ปรารถนากันอย่างนั้นตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็คงเกิดขึ้นสิ่งที่ปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นในบางอย่างเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงเป็นการเชื่เห็นถึงความ เป็นอนัตตาในประเด็นนี้คือไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาอะไรให้เป็นไปตามที่หวังได้ในช่วง ย, วยาวๆของชีวิตจนช่วงที่จะแก่ช่วงที่จะเจ็บช่วงที่จะตายเป็นต้นยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีคนต้องการเจ็บไข้ไม่มีคนต้องการแก่ไม่มีคนต้องการตายแต่เมื่อมันเกิดขึ้น ตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตามก็แก้ไขอะไรไม่ได้ประการที่สองก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างแท้จริงข้อนี้ก็ทรงแสดงเอาไว้ในอนัตตลักษณะสูตรเช่นเดียวกันโดยทรงชี้แจงมาตามลำดับ แล้วได้นเน้นให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวชี้ต้นของเราคือนามรูปทั้งหลายนั้นไม่ใช่ของเราและไม่เป็นเราไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายไว้ว่าของเราของเราเป็นการกำหนดหมายด้วยอำนาจของตัณหา คือการส่ายไปของจิตกำหนดหมายวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นของเราความเป็นของเราจึงมีได้ในชั้นของสมมติบัญญัติเท่านั้นแต่ในชั้นของความจริงที่แท้จริงแล้วมีไม่ได้โรโกาตหนึ่งของเราจะต้องจากเราไปหรือไม่งั้นเราจะต้องจากของเราไปความจริงชั้น ที่เป็นไตรลักษณ์คือความจริงที่แท้จริงจึงไม่มีของเราอยู่ในสิ่งทั้งหลายโบราณบัณฑิตท่านจึงอุปมาบุคคลในโลกซึ่งยังคล้องติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายว่าเมื่อนกชนิดหนึ่งที่ชื่อวา่าไมฮะกะแกจับในที่ใดก็ไปในที่ใดก็จะร้องว่าไมหังไมหังเรียกของเราของเรา ทุกแข่งทุกต้นไม้ที่จับแกจะร้องอย่างนั้นทุกทีไปแต่ในที่สุดแกก็บินไปเรื่อยๆและทิ้งคำเอาของเราเอาไว้ข้างหลังอยู่เรื่อยๆคนทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบังเกิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะขวอยควาอย่างที่พูดกันว่ากำมือมาแล้วก็แบมือไป คือเมื่อเกิดมาพร้อมจะปล่อยคว้ า, วาพร้อมจะยึดถือพร้อมแม้แต่จะแย่งชิงหรือทําลายล้างบุคคลอื่นเพื่อได้สิ่งที่ตันหาปรุงจิตให้กําหนดว่าเป็นของเราเข้ามาไว้ในครอบครองคนจึงประสบบาปกรรมเป็นอันมากเพื่อสนองตอบความต้องการของตนด้วยแรงกระตุ้นของตันหาที่กําหนดหมายไว้ว่าเป็นของเรา แต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปอย่างทำกรอนที่จำกันแพร่หลายว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชไหนจะมามือเปล่าและจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาซึ่งเป็นการเชีย่ยเห็นถึงการกำมือมาพร้อมที่จะขวายคว้าพร้อมที่จะถือพร้อมที่จะครอบครองของสัตว์โลกทั้งนั้น เวลาตายไปก็แบมือให้เห็นเป็นทำนองบอกกล่าวให้คนที่ไปรดน้ำทราบว่าฉันไม่ได้เอาอะไรไปแม้แต่สิ่งที่รักที่สุดก็ไม่อาจจะเอาไปได้ที่จริงการไปรดน้ำศพคราวหนึ่งก็ได้บทเรียนในตอนนี้ว่าสิ่งที่บุคคลผู้นั้นได้เคยขว่คว้าคืยยึดถือ ไม่ได้เป็นของเขาอย่างแท้จริงดังนั้นในชั้นของความจริงสองชั้นคือชั้นที่เป็นสมมติสจัจจะคือขั้นของการยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นพระพุทธศาสนาแสดงความเป็นของเราเอาไว้ฉเฉพาะบุญและบาปเท่านั้นโดยเน้นเห็นว่า บุญและบาปทั้งสองนั้นจักเป็นของของผู้นั้นแท้ผู้นั้นจักต้องรับเอาบุญและบาปนั้นไปบุญและบาปทั้งสองนั้นจะติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปเช่นั้นนี่คือในชั้นของสังสาระแต่ในชั้นของความจริงที่แท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง บุญบาปเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยเหมือนยานพาหนะเป็นเครื่องส่งบุคคลไปสู่ฝากฝั่งเท่านั้นในขณะที่บุคคลยังต้องอาศัยยานพาหนะยังไม่ถึงฝั่งก็ต้องเกาะอิงต้องอาศัยอยู่ในา ย, ยานพาหนะนั้นคือบุญและบาปแต่เมื่อบุคคลเข้าถึงบุญที่สมบูรณ ก็ต้องละทั้งบุญและบาปเหมือนกับการขึ้นฝั่งต้องละทิ้งญาณภานะคือจะเอาภาณะไปด้วยขึ้นฝั่งด้วยไม่ได้เมื่อต้องการจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งญาณเมื่อไม่ทิ้งญาณเมื่อไม่ทิ้งญาณก็ไม่ได้ขึ้นฝั่งดังนั้นในข้อนี้ท่านจึงได้ประพันธ์เป็นคำกลอนไว้ว่ายศเลลาหาไปไม่ได้แน่ มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟซึ่งเป็นการเชีใย้เห็นถึงความไม่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงในสัตว์และสังขารทั้งหลายแม้แต่กายของตัวเองโดยนัยและปริยานี้พระพูมีพระพักเจ้าไปทรงแสดงหลัก ให้บุคคลพินิพิจารณาว่าเมื่อบุคคลไขว่คว้าอยู่ว่าทรัพย์ของเราบุตรของเราเรื่องสวนรไรนาของเราในขณะที่เขาบนเพ้ออยู่อย่างนี้แท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะแม้ตัวของเขาก็ไม่เป็นตัวของเขาทรัพย์บุตรเรื่องสวนรายหนาเป็นต้นจะเป็นตัวของเราได้อย่างไร นี่คือหลักของอนัตตาคือความจริงอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิณิพจนาระดับของกรรมฐานที่สูงขึ้นมาเพื่อเข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตในชั้นหนึ่งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะในสองประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้นถึงแม้จะไม่ถึงการรู้แจ้งแทงตลอดด้วยสัมมัปปัญญาจนสามารถถ่ายถอนตัญหามานะทิฐิในนามารูปลงไปได้ก็ตา่างต่ว่าเวลาประสบปัญหาที่บังเกิดขึ้นในชีวิตต้องการให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปาตามที่ตัวต้องการจริงๆก็ปรับใจได้ไม่เกิดทั้งโศกะทั้งปริทีวะคือไม่มีทั้งความสุขความทุกขนัน้นภายในจิตใจเพราะในขณะนั้นจะปรับใจได้ทันทีว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บุคคลก็ได้ความสงบเย็นเกิดขึ้นภายในชีวิตของตน ในชั้นของความไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็เหมือนกันเช่นมีการพลาดพลากมีการพลาดจากมีการสูญ ส, สูญหายไปซึ่งยังไงก็แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าหากได้ปัญญาพิจารณาเห็นตามหลักพระไตรลักษณ์ในประเด็นนี้บุคคลก็จะปรับจิตได้ทันทีว่ามันไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงหรือเขาเป็นของเราได้เพียงแค่นี้เอง เขามาอยู่มาอยู่กับเราได้เพียงช่วงระยะเวลาเท่านี้เองเก็ไปตามกรรมของเขาก็ปรับใจได้ในะสุดนั้นสามารถสงบใจจากอารมณ์เป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ต, ต่างๆได้ประการต่อไปนั้นก็คือไม่เป็นอัตตาตัวตนอย่างที่เข้าใจกันคำว่าอัตตานั้นมีในชั้นสมมติปัญญาติกัน คือเป็นการพูดแบบโภหารโลกหรือโลกกับโภหารมีเรามีของเรามีตัวตนของเราในชั้นหนึ่งและพระพุทธภาษิตในลักษณะนี้ก็ทรงชี้ไว้เป็นนันมากเช่นทรงแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาด้วยตนจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งจะยินว่าตนแล้วฝึกได้ยากเป็นต้น นี่คือความจริงขั้นสมมติเป็นโลกกโวหารเป็นโวหารของชาวโลกแต่ความจริงขั้นที่แท้จริงแล้วไม่เป็นอัตตาตัวตนในลักษณะนั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในบทแรกของอนัตตลกนัสูตรว่ารูปังพิกเวออนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา แในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทรงใช้คาเดียวกันซึ่งเป็นการเชีย่ยวเห็นว่าความเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรปวนไปอย่างที่เข้าใจกันนั้นมีไปได้แต่เนื่องจากสังขารทั้งหลายเป็นกระบวนของธรรมะเป็นกระบวนของธรรมชาติเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยดังกล่าวดูแล้วคล้ายๆกับว่า เป็นตัวตนซึ่งถ้าหากว่าบุคคลแยกกาละให้เห็นก็จะเห็นเฉพาะความเกิดสืบเนื่องกันเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงอย่างเราในสมัยเด็กกับเราในปัจจุบันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันแต่ก็ไม่อาจที่จะแยกจากกันได้โดยสิ้นเชิงเพราะยังมีบางส่วนที่เกิดสืบเนื่องกันมาเช่นวิชาความรู้ ความเข้าใจต่างๆเป็นต้นดังนั้นการมองให้เห็นในจุดนี้จึงเป็นการช่วยให้เพิ่มปัญญาสำหรับกำหนดพิจารณาที่จะเข้าใจในประเด็นอื่นได้ต่อๆไปดังนั้นในสายของอนัตตลักณสูตรจึงทรงแสดงประเด็นต่อๆไปว่าถ้ารูป คือถ้าขันทั้งห well. ้าเป็นอัตตาตัวตนขันห้าก um ็จะไม่มีการแปรปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสัตว์ตั้งหลายก็จะตั้งความหวังว่าขันห้าก็รอจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้แต่เพราะขันห้าเป็นอัดเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขันห้าก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปตามเหตุปัจจัยสัตว์จะไปตั้งความหวังให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างโน้นไม่ได้ และทรงชี้แจงเข้าไปหาอนิจจังทุกขังในตอนต่อไปในประการต่อไปก็คือว่าเป็นของที่ว่างจากความเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นของเราของเขาคนนี้ได้ทรงแสดงแก่พระโมคพัะราชเมื่อท่านกราบทูลถามปัญหาว่า ถ้าพระองค์จักมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันพระบุมีพระพากเจ้าทรงสดแสดงว่าดูก่อนโมขระเธอจงมองโลกนี้ให้เห็นเป็นของว่างเปล่าถอนอัตาโนทิติคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปแล้วมัจจุราชก็จะตามไม่ทัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเป็นตัวตนเราเขาเป็นการประกอบขึ้นของเหตุปัจจัยอย่างในระในยะแห่งพระพุทธภาสิทธิทรงแสดงไว้เป็นใจความว่าเพราะการประกอบการของทพสัมภาระทั้งหลายการสมมติบัญญัติกันว่ารถว่าเรือนว่าบ้านก็มีได้ การประชุมการของขันทาตศอยัยตนรการสมมติปัญญาติว่าคนว่าสัตว์ก็มีได้แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อบุคคลย่อยออกไปก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่สามารถกำหนดหมายส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของข้อนี้อย่างที่พระนาเกเษนได้ตอบปัญหา ทพยามิรินถามว่าอะไรชื่อว่านาคเกษรรแต่ท่านก็จับถามมาตั้งแต่ผมเป็นต้นไปพระนาคเกษรรก็ปฏิเสธทั้งหมดบอกไม่ใช่พระยามิรินก็ท้วงว่าเมื่อก่อนทําไมบอกว่าเป็นชื่อว่านาคเกษรรพอถามจึงบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ปรับประเทระว่าเป็นคนพูดโกหกตลก พระนาคเกษก็ย้อนถามว่ามหาบพิ ษ, ษเสด็จมาด้วยอะไรท่านบอกว่าเสด็จมาด้วยรถพระเทร่าก็ถามว่าอะไรชื่อว่ารถก็แยกรถมันทีละส่วนถามเหมือนกันพยาเมลินก็ต้องปฏิเสธและในที่สุดท่านก็บอกว่ามาถามอย่างนั้นจะถามได้อย่างไรมันต้องทั้งหมดจึงเรียกว่ารถ านาคเกษก็บอกว่าอาตมาก็เหมือนกันต้องรวมกันทั้งหมดจึงเรียกว่านาคเกษนาคเกษก็ดีรถก็ดีมิลินก็ดีหรือแม้แต่ใครก็ดีเป็นการสมมติปัญญัติของเหตุปัจจัยที่เกาะกลุ่มกันเท่านั้นพอแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรขึ้นมะาอย่างที่ทรงสอนให้พิจารณาแยกออกเป็นธาค ก็จะเห็นว่าก็เป็นกองของธาตุเป็นดินส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นลมส่วนหนึ่งเป็นไฟส่วนหนึ่งบางคราวก็ทรงแยกไอออกเป็นอาการทั้งสามสบสองก็เป็นกองผมกองฟันกองเล็บกองเนื้อกองหนังไปเรื่อยไปข้อนี้จึงเห็นได้ว่าโดยภาวะที่แท้จริงความเป็นอัตตาตัวตนไม่มีมันเป็นของว่าง ว่างจากตัวจากตนจากเราจากเขาซึ่งในชั้นนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นหนึ่งนั้นเมื่อบุคคลเป็นอะไรถูกสมมติสุขถูกกําหนดมาให้เป็นอะไรก็เป็นให้เป็นเป็นให้ได้เป็นให้ดีเหมือนกับการแสดงละครแสดงให้สมบทบาทตีบทให้แตกแสดงเต็มที่ แต่พอเลิกแสดงก็คือเลิกแสดงเพราะนั้นก็คือเรื่องสมมติเอาเท่านั้นถ้าการเคลื่อนไหวของกายและจิตของบุคคลเป็นไปได้ในลักษณะนี้ย่อมชื่อว่าได้รับผลจากใ่รักชั้นหนึ่งเพราะเรื่องของสจรักษชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบเป็นกฎธรรมชาติไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น นันเป็นตั้งแต่โลกมีโลกนะแม้แต่โลกเองก็เกิดขึ้นมาจากกฎของใจรักษคือกฎข้อที่ว่าเป็นทุกข์เกิดมาจากเขตปัจจัยดังกล่าวแล้วโลกก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเหมือนกันคือตกอยู่สภาพของใจรักเหมือนกันและในยะประการที่ห้านั้นท่านสอนให้พิจารณาว่าเป็นของศูนย์ของว่างคือไม่เป็นจริง โดยท่านอุปมาเห็นว่าเม่เหมือนคนเรานอนนอนหลับแล้วฝันเห็นป่าไม้ภูเขาลำนาพรายไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุคคลสถานที่ต่างๆเป็นอันมากไล้เกินแต่พอตื่นขึ้นก็จะเห็นว่าที่ฝันคือฝันไม่ได้มีอยู่จริงเลยคำว่าตื่นในธรรมินหนนี้จึงหมายถึงสองอย่าง ตื่นโดยขันคือนอนหลับแล้วลุกขึ้นตื่นเรียกว่าตื่นแต่ในธรรมินัรถือว่าหลับด้วยกิเลสส่วนตื่นที่แท้จริงก็ตื่นแบบพุทธะแบบพุโทโธคือตื่นมาจากกิเลสสนิสามตื่นจากความหลับด้วยอํานาจของกิเลสเมื่อคนเราตื่นจากความหลับด้วยอํานาจของกิเลสแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงเป็นเรื่องของความฝัน เพราะฉะนั้นการพิจารณากำหนดเห็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายและในสังขารทั้งหลายนั้นจึงช่วยให้บุคคลเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตได้ในแง่ของความเป็นจริงตามสมควรแก่สติปัญญาที่บังเกิดขึ้นและไม่ได้หมายความว่าจะต้องบรรลุนิพพานจะเกิดเป็นวิปัสสนาญาณเสมอไป ก็สําคัญว่าขอให้ปรับจิตได้สะสมแนวความรู้ความเข้าใจในแต่ละจุดของใจรักณ์ให้ได้เนื่องจากเราจะต้องประสบปัญหาที่เกี่ยวกับใจรักตลอดเวลาเรียกว่าตลอดทุกขณะจิตโดยซ้ำไปก็จะทําใจให้เข้าถึงใจรักณ์ได้ในจุดนั้นสามารถสงบสามารถปั่นเทาสามารถระงับ ความทุกข์ต่างๆที่บางเกิดขึ้นเพราะเมื่อเข้าถึงได้ในลักษณะนี้บุคคลอาจจะยึดถือในแง่ของสมมุติในคราวที่ควรยึดถือแต่จะปล่อยวางในคราวที่ควรปล่อยวางปัญหาก็ในชีวิตคนที่เกิดขึ้นยุ่งยากมากที่สุดนั้นคือยึดโดยไม่ยอมปล่อยเมื่อคราวที่ต้องปล่อยไม่ยอมปล่อย มันก็กลายเป็นภาระที่หนักแต่ถ้าหากว่าบุคคลปล่อยได้วางได้หยุดได้ในโอกาสนั้ น, น, นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ต้องปล่อยวางไม่ไปวิตกกังวลเดือดร้อนเป็นทุกขโทมนัตถึงอดีตเรื่องที่เป็นอนาคตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันยังไม่เกิดขึ้น ก็ปล่อยวางในอนาคตมากำหนดชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันมองเห็นนามารูปทั้งหลายนั้นเป็นเพียงกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากเพศทั้งหลายซึ่งแตกต่างกันตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปร่งพุทธอุทานเมื่อตอนจัสรู้ประทับอยู่ที่ภายใต้ต้นปษีมาโพในบทแรกว่า ยาดาเวปาตุพวันติธรรมาเป็นต้นแปลว่าเมื่อการใดบุคคลมาเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าทามทั้งหลายนั้นเกิดมาแต่เหตุคือเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นเราและไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเรา เมื่อนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะทำลายความมืดคือโมหะออกไปจากจิตใจได้ก็กลายเป็นพุทธะคือผู้ตื่นจากกิเลสสนิสาในพระศาสนานี้สิ่งที่เป็นตัวปิดบังอนัตตาเอาไว้ก็คือคณะสัญญาการกำหนดหมายการเกาะกลุมกันเป็นก้อนเป็นหมู่อย่างการรวมกัน ของทปะสัมภาระเป็นรถก็สมมติหมายกันว่าเป็นรถเป็นเรือนก็สมมติหมายกันว่าเป็นเรือนโดยนัยาที่กล่าวแล้วแต่ถ้าแยกคณะสัญญาคือการเกาะกุมของสิ่งเหล่านั้นออกไปความเป็นรถเป็นเรือนก็ไม่มีความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีนี่คือวิปัสสนาที่ทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้ง ในอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆเป็นกรรมฐานที่ใช้ปัญญาเป็นหลักตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นในขณะใดกําหนดใจพินิพิจารณาตามหลักกระจายหลักในข้อใดข้อหนึ่งให้ได้ก็จะปะเกิดปัญญาเห็นตามความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายขึ้นภายในจิตโดยลำดับ จึงเป็นข้อที่ควรแก่การศึกษาและพิจารณาใช้ของผู้ปรารถนาเข้าถึงความจริงในชีวิตและในพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปขาให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป